ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องอาริยะแท้ไม่แพ้ผีโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่สมกุมภาพันธ์2546นณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ คือที่ถามมาเนี่ยาถามถึงภระสีอานหรือภระสีอริยเมตไตรนั่นแหละเขาเรียกสั้นเขาก็เรียกภระสีอานคือเป็นชื่อที่พูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจากเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมว่าเนี่ยพอหมดาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมแล้วก็จะ งต่อไปก็คือภาษีอริยะเมตไตรในอนาคตยังไม่ถึงแต่สําหรับพ่อท่านเนี่ยพ่อท่านไม่ได้หมายความไปอย่างนั้นพ่อท่านก็หมายถึงจริงๆแล้วก็หมายถึงอะไรอะพระีอริยะเนี่ยก็หมายถึงความเป็นอริยะของของคนเราเนี่ยแหละ นะหมายถึงสภาวะเพราะท่านหมายถึงแบบสภาวะแต่ในตำราในอะไรพวกนี้เขาหมายถึงตัวตนบุคคลเลยคืออย่างนี้ไงก็คง <c oughs> ก็เอาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอ ง, งรราค์สมณะโคดมเนี่ยนะที่ก่อนจะอุบัติมามาเป็นพระพระุทธเจ้าเนี่ย เขาก็ตามตำนานนะเขาบอกว่าเป็นเทวดานะอยู่ในชั้นดุสิตอยู่ในชั้นอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็จุติลงมาไงจุติลงมาที่พระนางอะไรนะสิริมหามายาที่ฝันเหมือนกับช้างเผื่อมานะิมิตน่นนแหละอ่ามาไงเสร็จแล้วก็เลยนั่นแหละก็คือ เทวดามาจุติก็ก็ก่อนจะมาจุติก็อยู่บนสวรรค์ไยอยู่บนวิมานอันนี้ตามตำราเล่ากันมาจริงๆแล้วมันก็คือสภาวะของผู้ที่มีมีจิตใจสูงที่ฝึกฝนเป็นโพธิสัตว์เป็นอะไรต่ออะไรมาแล้วนะจริงๆท่านก็ฝึกฝนมาเรื่อยอะ่ะท่านก็เกิดชาติแล้วชาติเล่าท่ามกล า, า, างการบรเพิบารมีต่างๆ จนกระทั่งมาถึงผูยง่ายมันถึงยุคละถึงกาละที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะก็มาผู้ยงานมาประสูติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจริงๆมันไม่ใช่อยู่บนพิมานอยู่บนอะไรหรอกอันนั้นก็เป็นคําเปรียบเทียบเป็นคําสมมุติใครเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะ จริงๆคุณอ่านไปแล้วคุณก็นึกเป็นเทวดาเป็นตัวตนแล้วก็อยู่บนสวรรค์แล้วก็มีวิมานเป็นชั้นๆสวรรค์นะ่ะมีกี่ชั้นหชั้นนะ่ะมีหกชั้นจําได้ไม่หมดนะหชั้นนะัจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมมุติของสภาวะจิตจิตใจของคนเรานะ่ะเป็นสภาวะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วเทวดาก็คือนี่แหละก็คือคนเราที่มีจิตวิญญาณมีสภาวะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะโดยเฉพาะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีละที่สูงละที่ประเสริฐละไม่อย่างนั้นแล้วคุณไปอ่านชาดกอ่านไรต่ อ, อไรนู่นไปไนั่นหมดละแล้วบางทีมันไม่จริงหรอกนะบางทีก็เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาคราวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นคําตรัสที่พระเจ้าท่านตรัส พุทธาท่านตรัสเนี่ยท่านก็ตรัสเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้เหมือนกันตรัสสวรรค์เหมือนกันแต่ท่านไม่ได้ อ, อ, อะไรตีความหรือว่าท่านไม่ได้มีความหมายอย่างที่คนเราเดี๋ยวนี้ไปเข้าใจไปอีกลักษณะหนึ่งไปเป็นตัวตนไปเป็นบุคคลแบบนั้นกนน็น่าเงี้ยแล้วก็บอกแล้วไง ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็สวรรค์มันก็เป็นชั้นไหนอ่ะก็เป็นสภาวะจิตอ่ะ อ, อ, อย่างเช่นบอกว่าพระเจ้าท่านอะไรอ่ะออนอนอ่ะสายญาติอยู่อย่างเนี้ยเสร็จแล้วก็สอนเทวดาอย่างเนี้ยอุ้ย <c oughs> นอนอยู่ไปสอนเทวดาที่ไหนอ <c oughs> เออก็คือสภาวะจิตที่ นั่นก็ปรุงก็พิจารณาเป็นกุศลอย่างนั้นอย่างนี้ไปต่างๆโอ้จะคุณไม่เข้าใจก็ตายเลยอย่างนี้วเจาไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเพราะว่านูน่นพอเวลาเองกายลงไปก็นูน่นขึ้นไปบนฟ้านู่นเนี่ยก็คอยไปสอนธรรดาอยู่เรื่อ ย, อยไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เป็นอย่างไ น, นแล้วก็บอกแล้วเนี่ยว่าถ้าถ้าตีความได้ถูกต้องเนี่ยมันจะไม่ไปเป็นอย่างนั้น เพราะมันไม่มีอย่างนั้นน่ะมันไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยแตมายังเคยเจอบางส่วนที่พระเจ้าท่านตัดว่าไอ้เรื่องพวกเนี่ยเรื่องเทวดาเพื่องผีสางเรื่องนรกสวรรค์พวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สมมุติกันขึ้นพระเจ้าท่านก็ยังใช่งี้เลยมันเป็นเรื่องสมมุติหมายถึงว่าไอ้รูปร่างอย่างนั้นจริงๆนะ่ะมันไม่ได้มีอย่างนั้นนะแต่ว่า ท่านก็เอามาใช้มาพูดมาบอกแต่ว่าคนต้องเข้าใจในสมมุติที่ถูกต้องอันนี้ด้วยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องของเขาเรียกว่าปุกคลาธิฐานกับธรรมมาธิฐานปุกคลาธิฐานก็หมายถึงว่ามีตัวตนมีบุคคลจริงๆอ่านะถ้าธรรมมาธิฐานก็คือว่ามันไม่ได้มีตัวตนบุคคลอย่างนั้นมันเป็นรู ป, ปรธรรมเอ่อเป็นเป็นนามธรรม ที่เรียกว่าหมายถึงสภาวะอย่างงี้งงถ้าถ้าถ้าไม่ศึกษาให้ดีไม่เข้าใจนะก็โนไปยุ่งเหยิงไม่หมดเพราะฉะนั้นมันก็มีสวรรค์อยู่บนฟ้ามีนรกอยู่ใต้ดินเสร็จแล้วก็มีอะไรนะพยายมอ่ะพยายมคุมนรกอย่างงั้นอย่างงี้ซึ่งซึ่งซึ่ ง, งถ้าเข้าใจไม่ถูกก็นั่นแหละก็ใต้ดินก็เป็นอย่างนั้นะ อันมาถามพวกคุณบ่อยว่านรกว่าคนดีกับคนชั่วเนี่ยยังไงมากกว่ากันคนชั่วแล้วคนชั่วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องทำเลวใช่ไหถึงจะเรียกว่าชั่วอเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องตกนรกถูกไหมเออก็ในเมื่อนะคนส่วนใหญ่ชั่วเลวเป็นส่วนใหญ่ดีนี่น้อยถูกไหมแล้วเวลาตายปับ๊บเอายังไงตายปับ๊บเนี่ ไม่ต้องลงนรกกันไปหมดที่ส่วนใหญ่อพะมะนั้นจะเหลือส่วนน้อยเท่าั้เองถูกไหมครบเหลืออยู่สักกี่คนบนโลกเนี้ยไม่ต้องไปลงนรกกันหมดนะในนรกหมดไห่กี่ขุมตั้งกี่คุมนะนรกเนี่ยสวรรค์น่ะหกชั้นนะแต่นรกนี่กี่ขุมคุณรู้เปล่าโอ้โหจําไม่ได้เลยสามสบสสบก็ขุมหรือไงฮะ ไม่รู้อะจำอจาจารย์ก็จําไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนาะคุณคิดดูสิถ้าถ้ามีเป็นเป็นอย่างนั้นจริงนะตามที่คนไปเข้าใจเป็นรูปร่างเป็นตัวตนอย่างนั้นโอ้ป่านนี้บนโลกมจะเหลือคนสักกี่คนที่จะที่จะตายแล้วก็ได้มีบารมีพอมาเกิดเป็นคนใช่ไหมได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอะ่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพระเจ้าบอกเลยนะพระเจ้ายืนยันเลยส่วนใหญ่ตายแล้ว ไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกฉานอแต่ทุกวันนี้บางทีพวกสัตว์แม้แต่สัตว์โลกต่างๆเป็นยังไงโอกาสจะมากขึ้นหรือน้อยลงโอ้โหมันจะศูนพันเนี่ยมันจะศูญพันเพราะอะไรโอโ้โราะคนล้างผ่านมากทําน้ําเสียทําฟ้าเสียทําอากาศเสียโอ้โหสัตว์ต่างๆนี่จะอยู่ไม่ค่อยได้นะเออจะตายเอาเยอะแยะไปหมดวัน คุณคิดดูนี่ถ้าถ้าใครไปเข้าใจสภาวะอย่างนั้นน่ะก็ทมันจะไปเหลืออะไรแล้วทุกวันนี้ป่านี้คนดีในโลกนี้นะที่ตายแล้วเนี่ยกลับมาได้เป็นคนเหลือไม่กี่คนหรอกคุณมันถึงบอกมันไม่ใช่ต้องเข้าใจเรื่องของธรรมาทิฐานกับปุคลาธิฐานนี่ให้ได้ถ้าเข้าใจได้แล้วคุณจะรู้เลยจริงๆก็หมายถึงคนนี่แหละที่พูดถึงในโลกสวรรค์แม้แต่ ที่ใช้คำว่าสัตว์นรกต่างๆอะไรพวกนี้นะจริงๆก็หมายถึงคนนี่แหละคนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละแต่มีชีวิตอยู่ในสภาวะแบบไหนอ่ะอ่าสภาวะแบบสัตว์นรกแต่ในร่างของคนนี่แหละคุณอแล้วก็ขุมไหนอะ่ะอยู่ในร่างของคนเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วสภาวะโหมเหมือนสัตว์นรกอยู่ในขุมนั่นขุมนี้ขุมต่างๆอ่าขุมแบบอะไรอะ่ะ พวกผิดศีลข้อสมเนี่ยใช่ไหมไปตกกระทาทองแดงอไอ้นั่นน่มันเป็นเรื่องที่มันมันพูดขึ้นมาเป็นสมมุติจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันคือสภาวะของคนบนโลกนี้แหละไม่ใช่ไปอยู่ใต้ดินเลยบนดินนี่แหละส่วนเทวดาก็ไม่ได้อยู่บนฟ้าที่ไหนก็บนดินนี่แหละที่คนเราเนี่ยที่มีสภาวะซึ่งเทวดาโดยสภาพ นะเอาเอาง่ายที่สุดถ้าแบ่ง2 อ, อย่างที่ง่ายที่สุดก็คือเทวดาโดยสมมุติที่เราเรียกสมมุติเทพที่มันก็ยังบอกหมดเว่าเทวดาโดยสมมุติอ่าแล้วก็อุบัติเทพถ้าถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันมันแค่สองอย่างโดยโดยใหญ่ๆส่วนวิสุทธิเทพนี่เป็นเรื่องที่เป็นผลละเป็นผลที่ทําได้จนบริสุทธิ์ละมันโดยเอาโดยใหญ่ๆเนี่ยส อ, อย่าง แล้วจริงๆก็หมายถึงคนเราธรรมดานี่แหละมีร่างมีตัวตนมีบุคคลไม่ใช่มีปีกแบบของฝรั่งเขาก็เทวดาเขามีปีกมีไอ้อะไรนะออนนะเออแหมเหมือนนีออนวงกลมนะอยู่บนหัวอะไรอย่างเงี้ยออนนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงแต่ที่จริงบอกแล้วคนเรานี่แหละนะเป็นเทวดาโดยสมมุติก็คือบางทีสุขสบายได้อะไรมาเสพ ได้อะไรมาสมใจหรือบางทีเขาก็เอาไปใช้เรียกกษัตริย์เจ้าพญามหากษัตริย์ต่างๆเขาเรียกส ม, มุติเทพคือเนี่ยเนเป็นเหมือนกับเทวดาโดยสมมุติเขายังเอามาใช้เลยใช้กับแต่แต่เขาไปใช้แบบศักดินาเนีใช่ไหมเอามาใช้เรียกพวกกษัตริย์พวกพระเจ้าแผ่นดินพวกอะไรต่างๆว่าเป็นสมมุติเทพนั่นนั่นนัเขาก็เรียกว่าเป็นเทพนะ แต่อันนี้โดยสมมติสมมุติว่าว่าเป็นเทพนั่นแหละส่วนอุบัติเทพนี่ก็คือคนธรรมดาเหมือนกันที่อะไรที่เราเราเรียนรู้กิเลสเราเข้าใจเรื่องของธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเราก็เลยเออมาลดละกิเลสของเราอย่างนี้ก็เกิดเป็นอุบัติเทพขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเทพอีกเหมือนกันนะนะคุณคิดดู แต่มันก็เป็นสมมติอีกอะใช่ไหมจริงๆคุณก็เป็นคนเนี่ยแหละแต่เขาเรียกว่าอุบาทเทเทพเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะอะไรพวกนี้ต้องเข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจอยี่ยนะคุณไปอ่านหนังสือทั้งหาหรืออาอะไรต่างๆก็คุณจะไปหมดเลยไปไปแบบนั่นแหละไปแบบไอ้ที่เขาไปหลงๆกันน่ะแล้วหลงกันมากจริงๆด้วยคราวนี้ก็หลงกันไปเลย ไปเห็นผีเห็นสางเห็นเทวดาเห็นอะไรแบบเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นมโนมยะอัตตาไปปั้นแล้วจริงๆก็มันไปปั้นเอาทั้งนั้นแหละแต่ไอ้คนเห็นมันก็บอกว่ามันเห็นจริงๆนะเออก็เห็นจริงๆไอ้คนที่เขาว่าเห็นเนี่ยแต่ความจริงมันไม่มีนะมันไม่มีรูปร่างมันไม่ได้มีตัวตนอะไรหรอกมันเป็นเรื่องสภาวะจิตบอกแล้วแต่คนนั้น โอ้โหมันปั้นขึ้นมาในจิตปั้นปั้นปั้นจนเป็นรูปร่างได้เลยได้กลิ่นก็ได้ได้ยินเสียงก็ได้ได้แม้แต่แตะต้องแตะต้องแล้วเป็นเป็นเหมือนกับมีเนื้อหนังมีตัวตนที่คุณแตะต้องก็ได้แต่จริงๆไม่มีนะตัวตนจริงๆไม่มีแต่จิตคนเราเนี่ยมันไปปั้ น, นไปทําขึ้นมาจนกระทั่งเป็นอุปท า, านที่จะ เหมือนเหมือนจริงทุกอย่างจนกระทั่งคนนั้นก็ว่าจริงคนท่านน่ยเขาว่าจริงเลยทั้งทั้งที่จริงๆไม่จริงก็ <c oughs> เรื่องพวกนี้ถึงบอกว่าโอ้โหกูต้องต้อ ง, ต, องต้องเรียนรู้ต้องศึกษาดีๆเลยถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาดีๆเนี่ยเพี้ยนหมดเลยไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้เนะี่ยถ้าไม่ใช่ใระดับอย่างพ่อท่านนะที่จะโอ้โหท่าน ปฏิบัติจนกระทั่งท่านรู้เข้าใจแม้แต่ท่านก็เคยเล่นในพวกนี้มาเองเนี่ยโอ้ถ้าไม่ใช่ระดับอย่างพ่อท่านเนี่ยไม่มีทางก็ยังหลงอยู่อย่างนั้นน่จะหลงอยู่อย่างนั้นจะเข้าใจผิดอยู่อย่างนั้นจะไม่ไม่รู้สัจจะไม่รู้ความจริงจรได้เลยเพราะว่ามันมันรู้ยากจ่นะเพราะว่าไอคนที่เห็นเนี่ยเหมือนเห็นผีสางเห็นเทวดาเห็นอะไรเนี่ย ด้วยตาเขาเองเนี่ยเขาว่าเขาเห็นจริงๆไงคุณคิดดูเขาว่าเขาแตะต้องด้วยเขาคุยด้วยอะไรได้หมดจริงๆเลยคุณ <c oughs> อนาวันท์ถึงบอกโอ้โหมันมันพูดกันยากเลยให้เข้าใจเรื่องบางเนี้ยบางทีนะไม่อยากพูดไม่อยากอธิบายเลยถ้าคนนั้นไม่ไม่พอที่จะมีมีสัมมาทิฏฐิอยู่บ้างเนี่ยไม่อยากคุยด้วยแล้วพะคุยแล้วเถียงกันตายเลย เขาจะไม่ยอมรับเลยแล้วจะไม่มีวันเข้าใจยกเว้นคนที่พอที่จะมีสัมมาทิฏฐิอยู่มีบารมีเก่าอยู่บ้างนะเออพอพูดพออธิบายให้ฟังแล้วสัมมาทิฏฐิที่มีเนี่ยมันทำให้เออเออที่จริงอย่างนี้สิมันถึงจะถูกต้องกว่าถึงจะชัดเจนกว่านะจะไม่สงสัยแต่ถ้าเป็นคนที่ยังไม่สัมมาทิฏฐิเนี่ยคุณอธิบายยังไงเนี่ย โอ้ยังไงก็ยอมรับไม่ได้อะยังไงก็ก็สงสัยอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจโอ้โหเถียงหัวจนฝาเลยล่หะมานเรื่องพวกนี้ถึงบอกว่าโอ้ต้องศึกษาดีๆแล้วไม่มีใครแก้ได้ด้วยนะเพราะว่าคนนั้นเนี่ยต้องสั่งสมบา ร, รมีหรือว่าต้องมีปัญญาอันเป็นสัมมาทิฐิเนี่ยมากพอด้วยจนกระทั่งเขารู้เองเลยเขาต้องเข้าใจเอง คือเราไปพูดให้เขาฟังเนี่ยแกเขาไม่ได้นะถ้าเขาไม่มีสมาธิที่อยู่พอถึงบอกไม่มีทางแก้เขาเลยเขาจะต้องมีเชื้ออันนี้อยู่พอวันพอพูดไปปับ๊บมันรับได้ไงมันถึงจะรับติดแล้วมันถึงจะเข้าใจได้แล้วมันถึงจะคลายมิจฉาทิฐิที่มีอยู่เนี่ยทิ้งไปได้โถอาตมาแต่ก่อนนี่ยังชอบเลยรู้สึก คำถามแรกๆเลยที่อากจะมาถามพระอสุกเนี่ยไม่ได้อยากจะมาบวชนะสมัยแรกๆอะ่ะถามพระอสศกเนี่ยถามอยากจะมีฤทธ์ไหมอยากจะมีฤทธ์อ่ะเหาะได้อ่าอะไรนะเนี่ยไอ้ดำดินได้หายตัวได้อะไรได้ อ, อยากมีฤทธ์อย่างนั้นแล้วก็ก็เชื่อด้วยนะเชื่อว่านคนเรามีฤทธ์อย่างนั้นได้เชื่อจริงๆ ถามผ้ า, าโศกเนี่ยเขียนเลยเขียนเป็นแบบจดหมายเลยถามมาเลยนะว่าเนี่ยจะฝึกยังไงแล้วถึงจะทำได้เขียนถามมาเลยถามมาหลายข้ออยู่นะแต่ข้อเจ๋งๆกันเนี่ยข้อพวกเนี้ยปรากฏว่าพอมาถึงผ้ า, าโศกเราก็รู้อยู่แล้วนะสไตล์หรือว่าแบบรูปแบบของผ้ า, าโศกนี่พ่อท่านตีทิ้งอยู่แล้วพวกนี้แม้ว่าพ่อท่านจะเคย เล่นพวกนี้พวกลิศพวกเดทพวกอะไรพวกนี้มาก็ตามแต่พอท่านท่านชัดเจนแล้วนี่เพราะฉะนั้นยุคก่อนๆของพระอโศกเนี่ยอุ้ยเล่นพวกนี้เยอะหลายรูปมากเลยอาตมาแต่ก่อนนั้นน่ะบอกแล้วจริงๆไม่ได้ไปสนใจทำม ง, ท ำ, มงทำแม่อะไรนะเนี่ยสนใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าแหมเขามาเล่าให้ฟังแล้ว ม, มันดีโอ้โหรู้สึกมันตื่นตาตื่นใจ อย่างเช่นมาเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนเนี่ยพระอโศกเอาอยู่ที่จังหวัดนี้เอาคุยกับนู่น อ, อีกจังหวัดนึงใช้โทรจิตคุยกันอย่างเงี้ยโอ้สนุกแล้วบางทีจะชอบพยากร์ล่วงหน้าอีกนะโอ้เดี๋ยวรูปนะั้นรูปนี้จะอย่างนั้นจะอย่างนี้อุ้ยแต่ก่อนเนยเยอะเนี่ยมันมั น, ม, นมันยังมิจฉาทิฏฐิไอ้เรื่องพวกนี้อยู่เยอะคุยกันเนี่ยคุยเรื่องพวกนี้แล้วสนุกบางทีไปนอนแถว บอกว่าโอ้โหไปตักกดที่ที่เมืองจันโอ้โหเห็นพระเจ้าตากแหมพาอะไรนะยกกองทัพเดินแถวอย่างนี้นอย่างนี้โอ้โหแหมลมมาโอ้โหกดแทบปิว้ว <c oughs> แหมแล้วฟังแล้วโอ้โหูมันดีแหมเรื่องพวกนี้โอ้โหเทียมถ้าไม่ใช่ฝีมือระดับพ่อท่านตีตี ต, ต, ตีจนกระทั่งโอ้โหปรับเปลี่ยนทิฐถีพวกนี้ได้นะ อาจมาบอกคุณได้เลยอุ้ยป่านนี้อโศกไม่เป็นอย่างนี้หรอกไม่เป็นอย่างนี้หรอกขนาดพ่อท่านนี้นะก็นําแล้วก็นําอีกก็นําแล้วก็นําอีกนะใครไม่สัมมาทิฏฐิพอใครไม่ไม่ปรับจิตไม่เปลี่ยนทิศเข้ามาให้เป็นทิศที่ถูกต้องให้ได้อยู่ไม่ได้โดนก็นํากระเด็นออกไปหมดมีคุณคิดดูโอ้โหอดีตพระอาโศกที่ชอบเล่นพวกเนี้ย พยากรณนะแหมดอยสุเทพจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้อะไรอุ้ยพยากรณทําหนังสือออกมาเลยเลป็นเล่มเลยคุณคิดดูเอาวันโอถถ้ถ้าถพูดเรื่องพวกนี้แล้วก็แหมสมัยก่อนเนี่ยเหลือกินเหลือใช้เลยสมัยก่อนสมัยก็ห้อยเหรียญหลวงพ่อห้อยอะไรต่ออะไรพระบูชาอะไรก็มีอย่างเช่น ชอบกล้าหาอย่างเงี้ยบอกแหมเจอใครแล้วเราต้องไม่กลัวนะต้องกล้าเรียกว่ากล้าบุกกล้าลุยสมัยก่อนเนี่ย เ, เวลาเขาต่อสู้หรือว่าเขาจะมีถือธงไงใช่ไหมสมมติว่าอย่างอย่างธงไทยอะไรเงี้ยที่ปลายปลายยอดยอดของธงอ่ะเสาเสาธงอ่ะเขาจะปักพระเอาไว้เขาเรียกว่าพระยอดธงเนี่ยอย่างเงี้ย ม, มต้องมีอย่างนี้โอ้โหก็ถือว่าแน่นะ เพราะว่าแม่จะต้องมาปักหัวเสาธงอันนี้แล้วก็ต้องเรียกว่าต้องถึงแล้วจริงๆมันก็จิตวิทยาแม่พอเราฟังอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหเราได้ทักองนะใส่นี่เรานีจะอะไรอ่ะจะแก้วกล้าจะอาถรรพ์มากจริงๆมันมันมันเป็นสภาวะจิตนะใส่เข้าไปแล้วเราก็ไอตอนไม่ใส่ก็ ก, กลั ว, ลวพอใส่เข้าไปทันทีเลยนะ แหมยังก็ศักดิ์สิทธิ์อะไรเข้ามาอะไรทันทีเลยแหมมันกล้าเลยนะคุณคนนี้มันกล้าเลยจริงจริงมันมันบอกแล้วมันมันจิตวิทยาให้ตอนไม่มีก็รู้สึกแหมเอ้ยเดี๋ยวมันจะเหนียวหรือเปล่าวันนี้มันไม่มีเดี๋ยวอะไรป้องกันเราไม่ได้เพราะฉะนั้นแหมถ้าได้ใส่ยิ่งครนนี้ถ้าคุณหนักข้อหน่อยแม่คุณต้องเอาคาถาด้วยต้องเอาคาถาต้องไปเอาคาถามาท่อง นะคุณอยากอะไรอ่ะเอาเมตตาคุณก็ไปหาคาถาเมตตามาท่องอืคุณจะอะไรคาถาอะไรหนังเหนียวคุณก็ไปหาคาถาหนังเหนียวมาท่องมัเป็นอย่างนั้นน่ะอัตมาต้งบอกโอ้เรื่องพวกนี้เข้าหูเข่าหัวขณะอัตมาก็ไม่ใช่ว่าจะไปอะไรกับเขามากนะแต่มันมั น, ม, นมันฟังแล้วแม่มันชอบอ่ะมันมันมันรู้สึกว่ามันทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นทั้ง อะไรอ่ะเราก็เชื่ออยู่ว่ามันมั น, ม, นมันน่าจะ็ีจริงอ่ะเราเชื่ออย่างนั้นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้อาตมาถึงบอกโอ้โหมันเป็นเรื่องจิตของคนเราปั้นจริงๆเลยเนี่ยถ้าไม่ได้มาฟังเทศอย่างพ่อท่านเทศนะกูไปฟังทั่วๆไปมีที่ไหนใครจะมาพูดอะไรถ้าพูดก็พูดแบบตีทิ้งไปเลยถ้าถ้าพระที่เป็นสายปฏิบัติที่ ท, ที่ที่ไม่เอาพว้นี้นะก็พูดแบบตีทิ้งไปเลย โดยที่เราก็ไม่เข้าใจว่าอ๋อทำไมอ่ะแล้วทําไมพวกนั้นมันมันบางทีมันหนังเหนียวได้จริงอ่ะเออแล้วทําไมมันมันบางทีมันมันเหาะลอยได้จริงอะไรเงี้ยเอา้าอธิบายไม่ได้ถ้าถ้าคนที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เล่นสายพวกนี้มาบ้างแล้วก็มีสัมาทิฏีิพออธิบายไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายให้เราฟังได้ยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างพ่อท่านเล่นก็เล่นมาใช่ไหย โอ้โหแล้วพ่อท่านก็มีสมาธิถิด้วยท่านตีทิ้งด้วยว่ามันไม่ดียังไงมันหลอกลวงยังไงแล้วไอ้ที่มันเกิดอย่างนี้นมันเกิดเพราะอะไรเออพ่อท่านก็อธิบายให้เราฟังด้วยเพราะฉนั้นโอ้โหนะเข้าใจค่อยๆเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, น, นเรื่อยๆเลยแล้วยิ่งถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกที่ถูกทางด้วยเนี่ยเรามีทั้งการฝึกฝนมีทั้งสภาวะที่เกิดด้วยเกิดกับตัวเราเองด้วย คุณจะยิ่งเข้าใจชัดเลยคนนี้คุณไม่ไปหลงง่ายๆอะ่ะยิ่งเรื่องผีสางเทวดาอะไรพวกนี้อุ้ยคุณไม่ไม่ไปโง่แล้วอะที่ยังจะไปกลัวผีอยู่อะนี่มีนะมาอยู่ชาวโศกฟังเทพพ่อท่านเป็น1ิปีสิกว่าปีบางทีอาตมาว่าเผลอๆถึง20ปีแล้วบางบางคนยังกลัวผีอีกแน่อาตมาบอกโอโ้ยังจะไปกลัวผีแบบนั้นอีกหรือ มันไม่น่าแล้วอยู่มาเนี่ยปฏิบัติมาเองด้วยตัวเองเนี่ยมันน่าจะหมดสงสัยได้แล้วถ้าใครที่ยังไม่หมดสงสัยเนี่ยแสดงว่าคนนั้นยังไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้พิจารณาหรือว่าไม่ได้วิปัสสนาจนกระทั่งเนี่ยมีปัญญาเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความเป็นจริงมากพอถึงยังหลงงมงายอย่างนั้นอยู่ ยังไม่เชื่อว่าผีสางแบบนั้นมีจริงอยู่อีกนะส่วนจริงบางคนเนี่ยยังมีอุปทานเก่าที่ตัวเองเนี่ยมันเชื่อมาไงมันเชื่อว่ามีแล้วก็กลัวกลัวจริงๆนะคนที่กลัวนี่กลัวจริงๆอาตมาเคยเล่าบ่อยๆว่าอาตมาเองนี่ก็โอ้โหเคยกลัวผีมาตั้งแต่เด็กนะไม่รู้ไปมีวิบากอะไรไว้กลัวผีจริงๆเลยเนี่ยจนกระทั่งมา ศึกษามาปฏิบัติแล้วถึงโอ้โหค่อยๆล้างทิ้งไปได้นะถึงได้บอกว่าแต่ก่อนเนี้ยดอกไม้งามของพระอริยะที่ที่อยู่บนชั้นลอยของชั้นบนลังคานะแต่ก่อนเนี้ยโงงเยบเงียบไม่ค่อยมีใครอาตมาก็ยังไปฝึกนอนอยู่ข้างศพอะฝึกนอนอยู่ข้างศพอยู่หลายปีเลยฝึกนอนก็มีที่เล่าให้ฟังอะบางคืนก็เฮ้ย มีหรือไม่มีวะเนี่ยขนาดเรารู้แล้วนะว่ามันไม่มีนะแต่ยังไม่ไวายบางคืนยังเฮ้ยมีหรือไม่มีรู้สึกมันมันเหมือนมีเสียงอะไรนะเอาเลยสิรู้สึกเฮ้ยมันเหมือนว่าๆว่าๆบุบๆอะไรนะเอาทาั้งๆที่รู้ว่ามันไม่มีนะคุณคิดดูเอาโอ้โหทั้งสัญญาทั้งบางทีอุปทานเก่ามันยังมาไอ้นั่นได้เลยพอมันบุบขึ้นมานะ พูบขึ้นมากุสทันทีเลยขนตั้งเลยเนี่ยขนลุกเลยตามตัวบางทีสัญญาเก่าเ อ, อ่าทันทีเลยขนาดเราชัดแล้วนะว่ามันไม่มีมันไม่มีเนี่ยคุณอย่านึกว่าเพียงแค่มาฟังแล้วเออฟังเทศแล้วเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันไม่มีมันไม่มีคุณอย่านึกว่าแค่คุณฟังแล้วคุณเข้าใจนี่คือคุณล้างอุปทานได้แล้วไม่ใช่นะ ยังไม่ได้ล้างอุปทานนะเพียงแค่คุณมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาคุณเข้าใจได้ถูกต้องขึ้นแต่บางทีอุปทานเก่าที่คุณมีอยู่ยังไม่ได้ล้างการที่จะล้างเนี่ยคราวนี้คุณต้องมาฝึกอีกจริงจริงต้องมาฝึกฝึกจริงๆเลยนะท่ามกลางความมืดาบางทีเนี่ยเจอศพ บ, บ้างเจออะไรบ้างใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องไปเจอกลางคืนมืดๆหรอก บางทีอะอะไรอะไปโรงพยาบาลเขาผาศพข้ออะไรเงี้ยคุณพบคุณเห็นคุณเออพิจารณาวิปัสสนาแล้วคุณก็เห็นความเป็นจริงแล้วคุณตัดปล่อยวางใจจากไอ้อุปท า, านเก่าเราได้ไหมอันเนี้ยแล้วคุณถึงจะค่อยๆถอนออกนะค่อยๆล้างออกล้างออกล้างออกถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีทางหรอกเอาแค่รู้แค่ได้ฟังมาไม่ได้แก้จิตจริง นะได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่คุณรู้แล้วว่ามันไม่มีของใหม่ของใหม่อาจจะหลอกคุณไม่ได้แต่ของเก่าที่คุณมีอยู่อ่ะคุณยังไม่ได้ลบทิ้งเลยนี่ของเก่าอมันฝังนะแล้วมันไม่ใช่ว่าแม้คุณฟังคุณเพิ่งเพิ่งมาฟังแป๊แบๆนี่เองอะ่ะหรือว่าเพิ่งมารู้ปีสองปีนี่เองแต่ไอ้ที่เรากลัวที่เราสะสมมา โอ้โหบางทีตั้งใจเด็กเป็น1 0ปีเป็น20่ปีเหมือนกันนะที่สะสมมาเพราะนั้นอันเนี้ยถึงอยากจะบอกพวกเราว่าโอ้พวกเราต้องศึกษาจริงๆแล้วก็ต้องทดลองปฏิบัติจริงๆนั่นแล้วมันถึงจะล้างอุปทานพวกนี้ออกไปล้างออกไปล้างออกไปแล้วถ้าคุณล้างได้คราวนี้ความแตกต่างตรงนี้จะเกิดขึ้นก็คือพอคุณล้างได้เนี่ยคุณจะเห็นเลยสภาวะของจิตใจเรา ที่มันมันเหมือนกับปลอบปรงมอะ่ะมันเหมือนสดชื่นมันแจ่มใสนะคุณไม่ต้องไปมีไอ้ผีตัวนั้นผีตัวนี้อยู่ผีอะไรก็แล้วแต่จะผีความเชื่อแบบแบบผีสางพวกนี้หรือจะเป็นผีแบบอาหารการกินหรือจะผีแบบเสื้อผ้าแฟชั่นหรือจะผีแบบไอ้ความสุขสนุกสบายอะไรเงี้ย อ้เพราะคุณเข้าใจชัดแล้วคุณค่อยๆฝึกคุณค่อยๆลดละล้างมันไปโอ้โหใจมันสบายอย่างนี้เองและไอใจที่สบายขึ้นอย่างนี้แหละคุณถึงจะเอามาเป็นกําลังจิตของคุณอีกเพราะว่าเออจริงด้วยนี่ล้างไปได้นิดล้างไปได้หน่อยยังสบายขึ้นเลยโอ้ถ้าล้างได้มากกว่า น, นี้มันยิ่งสบายกว่า น, นี้มันก็ยิ่งจะมีศรัทธานี่น น, นี่จะเป็นศรัทธาของแท้มันจะยิ่งเชื่อมัน่น